3. ปาราชิกาธิว่าด้วยอาบัติปาราชิกเป็นต้นปาราชิกส473ถามปาราชิกสี่สิกขาบทเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไรตอบปาราชิกสี่สิกขาบทเกิดด้วยสมุดฐานสามสมุดฐานคือ 1. เกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา 2. เกิดทางวาจากับจิตมิใช่เกิดทางกาย 3. เกิดทางกายวาจากับจิตสังขารที่เศษสิบสามถามสังขารที่เศษสิบสามสิกขาบทเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไรตอบสังขารที่เศษสิบสามสิกขาบทเกิดด้วยสมุดฐาน6สมุดฐานคือ 1. เกิดทางกายมิใช่เกิดทางวาจามิใช่เกิดทางจิต 2. เก ar, şey g g ái, şey kan kan ิดทางวาจาไม่ใช่เกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางจิต 3. เกิดทางกายกับวาจาไม่ใช่เกิดทางจิต 4. เกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา 5. เกิดทางวาจากับจิตไม่ใช่เกิดทางกาย 6. เกิดทางกายวาจากับจิตอนนียศสอง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 ถามนิสักยะปาจิต ต, ต, จตี30สิกขาบทเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไรตอบนิสักยะปาจิตตี30สิกขาบทเกิดด้วยสมุดฐาน6สมุดฐานคือ 1. เกิดทางกายมิใช่เกิดทางวาจามิใช่เกิดทางจิต 2. เกิดทางวาจามิใช่เกิดทางกายมิใช่เกิดทางจิต 3. เกิดทางกายกับวาจามิใช่เกิดทางจิต 4. เกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา 5. เกิดทางวาจากับจิตมิใช่เกิดทางกาย 6. เกิดทางกายวาจากับจิตปาจิตตี92ถามปาจิตตี92สิกขาบทเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไรตอบ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 เกิดทางวาจากับจิตไม่ใช่เกิดทางกาย 6. เกิดทางกายวาจากับจิตปาติเทศนยะถามปาติเทส น, ย ะ, ทสนยะสี่สิกขาบทเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไหร่ตอบปาติเทศนยะสี่สิกขาบทเกิดด้วยสมุดฐานสี่สมุดฐานคือ 1. เกิดทางกายมิใช่เกิดทางวาจามิใช่เกิดทางจิต 2. เกิดทางกายกับวาจามิใช่เกิดทางจิต 3. เกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา 4. เกิดทางกายวาจากับจิตเสขีย75ถามเสียขีย75สิกขาบทเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่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 มีจิตเป็นกุศลสมุดฐานทุกสิกขาบทขอท่านทั้งหลายจงเข้าใจสมุดฐานโดยรู้ตามธรรมเทิน